อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ561 1. หกสนึ่งภิกษุรับแล้วฉันพัะตาหารที่ภิกษุนีใช้ให้ถวายของของตนแต่ไม่ได้ถวายด้วยตนเองสองภิกษุรับแล้วฉันพัะตหารที่ภิกษุณีถวายของของผู้อื่นไม่ได้ใช้ให้ถวาย 3. ภิกษุรับแล้วฉันพัะตหารที่เขายังไม่ถวายแต่ภิกษุนีใช้ให้ถวาย 4. ภิกษุรับแล้วฉันพรตหาร ในที่ที่เขายังไม่ถวายแต่ภิกษุณีใช้ให้ถวาย5ภิกษุรับแล้วฉันพัะตาหารที่ภิกษุณีใช้ให้ถวายเท่าเท่ากันทุกรูป6กภิกษุรับแล้วฉันพัะตาหารที่สิกขม า, ามนาบงการ 7. ภิกษุรับแล้วฉันพัะตาหารที่สั ม, มนเนรีบงการ8ปภิกษุรับแล้วฉันพัะตาหารทุกอย่างยกเว้นโภชนะหไม่ต้องอบัติ9ภิกษุวิกลจริต10บภิกษุต้นบัญญัติทุติยปะปาติเทศนิยสิกขาบทที่2จบ